บุรุษนั้นไม่ใช่จะเป็นบัณฑิตไปเสียทุกที่ทุกสถานแต่สตรีผู้มีวิจารณญาณในที่นั้นๆก็เป็นบัณฑิตได้บุรุษนั้นไม่ใช่จะเป็นบัณฑิตไปเสียในที่ทุกสถานแต่สตรีคิดอ่านแม้ครู่เดียวก็เป็นบัณฑิตได้อัตถกถาธรรมบทว่าโจรทำเป็นไม่กินอาหารนอนอยู่บนเตียงเมื่อนางถามก็เล่าถึงความทุกข์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 ท่านว่าในพระนครสาวัตถีนั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของตระกูลถึงแปดหมื่นตระกูลคนทั้งหมดนั้นต่างรู้จักกันด้วยอำนาจที่มีความเท่าเทียมกันฝ่ายพระเถระฉันพัดแล้วนั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งที่นั้นนางก็ถือเศษกิ่งว่ามีมหาชนห้อมล้อมเดินเข้ามาหาพระเถระกระทําการทักทายกันแล้ว นางถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าให้เด็กเหยียบกิ่งไม้นี่หรือพระสารีบุตรตอบว่าใช่แล้วเราให้เหยียบย่ำเองนางคุณทนเกษาเมื่อเป็นอย่างนั้นดิฉันกับพระคุณเจ้ามาโตวาทะกันนะพระเถระได้สิน้องนางนางคุณทนเกษาใครจะถามใครจะกล่าวแก้เจ้าข้า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 ทองยาวสอกกว้างคืบสูงสีนิ้วจากนั้นก็ถือก้อนหอร ด, ดานและมโนศิลาเก็บเอาดอกบัว8ดกรรมัมแล้วไปยังสถานที่สร้างเจดีขนาดนั้นขาดก้อนอิดสำหรับเชื่อมต่ออยู่ก้อนหนึ่งพอดีนายช่างจึงให้นางวางด้วยตนเองนางจึงขึ้นไปเอาน้ำมันผสมหอร ด, ดานและมโนศิลาวางอิดติดยูดให้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 ลูกเจ้ามานพทรับทั้งหมดรวมแ7สิบเจ็ดโกดและสมบัติอื่นทั้งหมดฉันมอบให้เธอนางพัฒนาแล้วท่านลูกเจ้าจะไปไหนล่ะมานพบเราจกบวชนางพัฒนาลูกเจ้าแม่ดิฉันก็นั่งคอยการมาของท่านอยู่เช่นกันแม่ดิฉันก็จักบวช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 สิพระพัากั จ, จานาเทอรีพิกษุณีผู้เลิศทางมหาอภิญญาอดีตชาติประวัติชีวิตของพระเทอรีนี้ท่านเล่าไว้ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าทีปังกรย้อนไปสี่อสงไขยแสนกับครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อสุเมธเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกครั้งนั้น พระเถรีนี้เกิดในสกุลพราหมณ์เป็นสตรีชื่อว่าสุมิตตาได้ร่วมรับเสด็จพระพุทธเจ้าทีปังกรด้วยนางถือดอกบัวแปดกัมไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทำให้ได้เห็นฤาษีสุเมธมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบําเพา็ญโพธิญาณจึงถวายดอกบัวแก่ท่านกล่าวว่าข้าแต่ฤาษีดอกบัวห้ากัมจงมีแก่ท่าน ดอกบัวสามการรมจงมีแก่ดิฉันข้าแต่ท่านลือีดอกบัวนี้จงเสมอด้วยกับท่านเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิยานของท่านลือศีสุเมต ร, รับดอกบัวแล้วบูชาพระพุทธเจ้าทีปังกรและได้พยากรลือศีสุเมตรแล้วทรงพยากรพระนางด้วยว่าดูก่อนลือีผู้ใหญ่ อุบาสิกาผู้นี้จะได้เป็นผู้มีจิตเสมอการมีกุศลธรรมเสมอการทำกุศลร่วมกันเป็นที่รักเพราะบุญกรรมเพื่อประโยชน์แก่ท่านน่าดูหน้าชมน่ารักยิ่งน่าชอบใจมีวาจาอ่อนหวานจะเป็นธรรมทายาทผู้มีฤทธิ์ของท่านอุบาสิกานี้จะรักษากุศลกรรมทั้งหลายเหมือนพวกเจ้าของทรัพย์ รักษาทรัพย์ที่เก็บไว้เองในครังฉะนั้นประชาชนจะอนุเคราะห์อุบาสิกาผู้เป็นที่รักของท่านนั้นอุบาสิกานี้จกมีบารมีเต็มจักรักกิเลสได้ดังราชสีละกรงและจักรบรลุโพธิญาณสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระนานเกิดในสกุลหนึ่งได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นการแต่งตั้งภิกษุณีผู้เลิศทางมหาอภิญญา จึงทำกุศลเพื่อปรารถนาตำแหน่งนั้นชาติสุดท้ายเกิดในศักยะตระกูลออกบวชนางเกิดในศักยะสกุลถึงพร้อมได้รูปสมบัติโภคสมบัติมียศมีศีลสมบูรณ์ด้วยองค์สมบัติทั้งปวงมีชื่อว่ายะโสธรา อธกถาเอกนิบาตเรียกพัฒธธากัจานาเพราะมีผิวพันเหมือนผิวทองคําชั้นเลิศเป็นสตรีสาวสวยโดยแท้คำพีอธกถาส่วนมากเรียกพระนางว่ามารดาราหุนและบางแห่งเรียกว่าพิมพาต่อมานางเบื่อหน่ายในสงสารจึงออกบวชพร้อมด้วยบริวารพันคน ยังไม่ถึงครึ่งเดือนก็บรรลุอริยสัจสีเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีปัญญามากมีภิกษุณีหนึ่งพันรูปเป็นบริวารอธิกถาเล่าว่านางเกิดในพระราชนิเวศของพระเจ้าสุปปะพุทธะดูตามบาลีอปทานที่กล่าวว่าพระนางเกิดในสกยะตรกูลก็มีความเป็นไปได้ว่าสกยะตรกูลนี้มีอยู่หลายกลุ่ม มีความถือตัวเข้มข้นเช่นเดียวกันทำให้พระนางและเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอภิเศกกันได้เพราะอยู่ในกลุ่มสักยะด้วยกันกรุงเทวทหะและแคว้นโกริยะวงนั้นหากจะมีอยู่ก็มีฐานะเพียงนิคมแห่งหนึ่งของเหล่าสักยะด้วยกันเท่านั้นหากเทวทหะมีฐานะเป็นแคว้นจริงพวกสักยะวงก็คงไม่ยินยอมให้อภิเสกกันเป็นแน่ เนื่องจากเกรงความปะปนกันทางเชื้อชาติทำให้ศักยะยไม่บริสุทธิ์ประพฤตตามพระสวามีเมื่อนางเจริญวัยแล้วได้อภิเศกเป็นพระมเหสีของพระโพธิสัตว์และให้การประสูตรราหุนกุมารหลังจากพระโพธิสัตว์เสด็จออกพนวด และบรรลุพระสัพพัญยุตยาแล้วต่อมาได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัททรงทาการสงเคราะห์มวลพระญาติพระเจ้าสุดโททนะได้บรรลุโสดาปติผลแล้วนำพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่ปราสาทนางสนมทั้งปวงก็พากันถวายบังคมพระองค์ยกเว้นพระมารดาของราหุลไม่ได้เสด็จมาแม้มีผู้กราบทูลให้เสด็จก็ตรัสว่า ถ้าคุณความดีของเรามีอยู่พระลูกเจ้าก็จกเสด็จมาหาเราหากเสด็จมาเราจะถวายบังคมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระราชารับบาทจากพระองค์แล้วได้เสด็จไปยังห้องบรรทมของพระนางพร้อมด้วยพระอัร拉สาวกทั้งสองก่อนเข้าไปก็ได้ตรัสกับท่านทั้งสองว่าให้พระราชธิดาวหว้าตามชอบใจพวกเราไม่ควรกล่าวอะไร แล้วเสด็จประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้พระนางเสด็จมาจับที่พระบาทมีพระเศียรและพระพักกลิ้งเกลือกอยู่ที่หลังพระบาทถวายบังคมตามพระอัธยาศัยพระราชาประทับอยู่ด้วยได้ตรัสสรรเสริญคุณความดีความรักที่พระนางมีต่อพระองค์เป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 เมื่อพระญาติส่งข่าวมาว่าจะดูแลปรนิบัติก็ทรงปฏิเสธข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธิดาของหม่อมชั้นเพียบพร้อมด้วยคุณอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาปอพิธข้อที่พระราชธิดาที่พระองค์รักษาอยู่ในบัตรนี้รักษาตนเองได้เมื่อพระญาณแก่กล้าแล้วไม่น่าอัศจรรย์เพราะเมื่อครั้งอดีตการพระราชธิดานี้ แม้ไม่มีใครรักษาเลยก็ยังเที่ยวอยู่ที่เชิงเขารักษาตนอยู่ได้แล้วตรัสจันทกินนารีชาดกจบแล้วเสด็จลุกจากอาสนะกลับไปจันทกินนรีชาดกครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกินนอนมีความรักกับนางกินนารี พระนางยโสธราวันหนึ่งพระราชาพรณสีเสด็จท่องเที่ยวไปในป่าพระองค์เดียวและได้เห็นแล้วเกิดหลงรักนางกินนรีจึงยิงกินนอนบาดเจ็บด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษแล้วเจรจาขอความรักจากนางกินนรีแต่นางกินนรีไม่ยินยอมหนีขึ้นเขาเบื้องบนประกาศว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องตาย เราก็จะไม่ยอมเป็นของท่านผู้ฆ่าสามีเราผู้ไม่ได้ประทุษร้ายเราพระราชาหมดความเยื่อใยในตัวนางได้เสด็จกลับไปนางกินนรีอุ้มร่างสามีขึ้นสู่ยอดเขาพลางร่ำไห้ตำหนิพวกเทวดาว่าในโลกนี้คงไม่มีเท พ, พเจ้าไม่มีเท้าโลกบาลหรือมีแต่หลบหน้าหรือว่าตายหมดแล้ว ช่างไม่ดูแลช่วยเหลือผัวของข้าเลยคำรำพันตำหนิของนางทำให้เท้าส ก, กะที่นั่งร้อนต้องแปลงเป็นพรามลงมาขับไล่พิษทำพระโพธิสัตว์ให้ฟืน้นสอนให้ราหุลกุมารทูลขอราชสมบัติในวันที่เจ็ด พระนางก็ทรงแต่งตั้งพระองค์ให้พระราหุกุมานและสอนให้เข้าเฝ้าขอทูลราชสมบัติด้วยคำว่านี่แน่พ่อเจ้าจงดูพระสมณะนั้นซึ่งมีวันนะดังรูปพรหมมีผิวพันดังทองคำห้อมล้อมด้วยสมณะสองหมื่นรูปพระสมณะนี้เป็นบิดาของเจ้าพระสมณะนั้นมีขุมทรัพ ย, ย์ใหญ่ นับแต่พระสมณะนั้นออกบวชแล้วแม่ไม่เห็นมีขมทรัพย์เหล่านั้นเจ้าจงไปขอมรดกกับพระสมณะนั้นว่าถ้าแต่พระบิดาข้าพระองค์เป็นลูกได้รับอภิเสกแล้วจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิข้าพระองค์ต้องการทรัพย์ขอพระองค์จงประทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์เพราะบุตรย่อมเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกของบิดา พระกุมารเข้าไปเฝ้าได้รับความรักในฐานะพุทธบิดาครั้นสวยพัดเสร็จแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จออกพระกุมารติดตามไปกราบทูลตามคําของพระมารดาพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงให้พระกุมารกลับจนถึงพระอารามทรงดำริว่ากุมานี้ปรารถนาทรัพย์อันเป็นของบิดาซึ่งเป็นไปตามวัฏ ต, ตะมีแต่ความคับแค้น เอาเถอะเราจะให้อริยทรัพย์เจ็ดประการที่เราได้แล้วที่โพธิมณฑลแก่กุมานี้เราจะทำกุมานี้ให้เป็นเจ้าของทรัพย์มรดกอันเปโลกุตระแล้วตรัสให้พระสารีบุตรบวชเป็นสมณเณรให้ราหุนกุมารบวชแล้วพระราชาทรงเกิดความทุกข์ใหญ่ที่เสียหลานคือพระนัตดาผู้สามารถจะสืบทอดวงได้ เสด็จเข้าเฝ้ากราบทูนขอไม่ให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายบวชให้กุลบรที่มารดาบิดาอย่างไม่ได้อนุญาตซึ่งพระองค์ก็ไม่ทรงมีพระบัญญัติห้ามแล้วออกผนวดเพื่อเห็นพระสวามีและพระโอรสอธกถาเล่าว่า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 พระนางจริงเสด็จไปบวชที่สำนักภิกษุณีทรงเกิดอาพาธได้สมมเนรราหุนดูแลหลังบวชเป็นภิกษุณีแล้วครั้งหนึ่งพระเถรีอาพาธได้โรคลมกำเริบราหุนสมมเนรเยี่ยมท่านก็ออกมาพบไม่ได้ภิกษุณีอื่นก็ได้แจ้งว่า พระเถรีไม่สบายสมณเนรจึงเข้าไปหาแล้วก็ทูลถามว่าพระมารดาควรจะได้ยาอะไรตอบว่าดูก่อนพ่อเมื่ อ, อยังครองเรือนแม่ได้เสวยรถมะม่วงที่ปรุงกับน้ำตาลกรวดอาการก็สงบแต่ตอนนี้พวกเราต้องเที่ยวบินธบาทเลี้ยงชีพจะได้รถมะม่วงนั้นจากที่ไหน สมณเณรทูลว่าเมื่อหมอมฉันหาได้แล้วจะรีบนำมาถวายแล้วไปหาพระสารีบุตรผู้เป็นอุปชาไหว้แล้วยืนอยู่พระเถระถามว่าราหุนเธอเป็นอะไรดูมีสีหน้าเป็นทุกข์สมณเนรจึงเล่าถึงอาการของประมารดาพระเถระทราบแล้วกล่าวว่าอย่าห่วงเลยเราจะได้สิ่งนั้นมา ในวันรุ่งขึ้นพระเถระพาสมณเณรไปยังโรงฉันให้นั่งรออยู่และตัวท่านก็ไปที่ประตูพระราชวังพระเจ้าปเปเสนที่โกศลเห็นแล้วนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นคนดูแลอุทยานนำมะม่วงสุกพวงหนึ่งมาถวายพระราชาทรงปอกเปลือกและใส่น้ำตากลกรวดลงไปขยามด้วยพระองค์เองแล้วถวายลงในบาทของพระเถระ ท่านนำมาให้สัมเนนสั่งว่าให้นำไปให้มารดาสัมเนนนำไปถวายพระเถรีเสวยแล้วโรคลมก็สงบฝ่ายพระราชาทรงต้องการรู้ว่าทำไมพระเถระจึงไม่ฉันตรงนี้สั่งให้คนตามไปดูก็ทรงทราบความนั้นทรงดำริว่าหากพระพุทธเจ้าอยู่กรองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรด ราหุลสัมมาเนก็จะได้เป็นขุนพลแก้วพระเถรีพิมพาจะได้เป็นนางแก้วราชสมบัติในสากลจักรวาลจะเป็นของท่านทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดจึงควรที่เราจะบำรุงดูแลท่านเหล่านั้นเราไม่ควรประมาทเพราะท่านเหล่านั้นบวชแล้วเข้ามาอาศัยเราอยู่นับแต่นั้นก็ทรงสั่งให้คนถวายรถมะม่วงแก่พระเถรีเป็นนิ ขอขมาทูลาปรินิพานเมื่อท่านมีอายุ78ปีท่านได้เข้าเฝ้ากราบทูลาปรินิพานและขอขมาพระพุทธเจ้าว่าหม่อมชั้นมีวัยแก่มีชีวิตน้อยจักละพระองค์ไปมีที่พึ่งของตนได้ทําแล้วมีมรณะใกล้เข้ามาในวัยหลังข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมชั้นจกถึงความดับในคืนวันนี้ ชาติชราพยาธิและมรณะมิได้มีจากไปสู่นิพพานที่ยังไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นบุรีอันไม่มีความแก่ความตายและความไม่มีภัยตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นบริสัทเข้าเฝ้าพระองค์อยู่รู้จักความผิดขอประธานโทษไว้นะที่เฉพาะพระพักพระองค์ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมชั้นขอกราบทูลว่า เมื่อมอมชั้นท่องเที่ยวไปในสงสารหากมีความพลั้งพลาดในพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานโทษแก่มอมชั้นเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเราท่านจงแสดงฤทธิ์และตัดความสงสัยของบริษัททั้งปวงเถิดพระเถรีกราบทูลในท่ามกลางพุทธบริษัทว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้ามอมชั้น ชื่อยโสธราเป็นประชาบดีของพระองค์เมื่อยังทรงครองอาคารวิสัยเกิดในสกยะสกุลตั้งอยู่ในองค์สมบัติของหญิงประเสริฐกว่าหญิงทั้งหนึ่งแสนหกมืนเก้าพันนางนารีทั้งมวลย่อมเคารพหม่อมชันเหมือนมนุษย์เคารพเทวดาฉะนั้นแล้วท่านก็แสดงฤทธิต์ต่างๆความพร้อมเพรียงแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นนาถะของโลกพระองค์ทรงแสดงดีแล้วข้าแต่พระมหามุนีอธิการการสั่งสมบารมีเป็นอันมากของหม่อมชั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมชั้นงดเว้นอนาจารในสถานที่ไม่สมควรแม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่พระองค์พระองค์ประทานหม่อมชั้นเพื่อให้เป็นภรรยาผู้อื่นหลายพันโกด ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันไม่ได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยหม่อมฉั้นเมื่อแสวงหาพุทธธรรมอยู่ก็ได้เป็นบริจาริกาผู้รับใช้พระองค์หม่อมฉั้นได้รับทุกขวิบัติและสุขสมบัติมากอย่างเช่นนี้จึงพร้อมแล้วซึ่งความเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวงบุคคลผู้ถวายตนแก่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่บุญก็ย่อมพรั่งพร้อมไปด้วยสหายลุดถึงบทแห่งนิพพานอันเป็นอสังคตะกรรมทั้งปวงส่วนอดีตปัจจุบันและอนาคตของหม่อมชั้นหมดสิ้นไปแล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุหม่อมชั้นขอถวายบังคมพระยุคลบาทท่านว่ามีอยู่สีท่านในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราที่บรรลุมหาอภิญญาคือ พระอ克รสาวกสองรูปพระกุลเทระและพระพัฒกากจานาเทรีสามารถระลึกชาติได้หนึ่งอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับพุทธศาสนาสุภาษิตกัลยามิตตามุนินาโลก า, าทิสวาณิตา กัญยาณิเตพระชมาโนอปิพาโลบัณฑิตโตอสสะพระโมนีกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีกัญยานมิตรไว้เฉพาะชาวโลกว่าผู้คบกัญยานมิตรถึงแม้จะเป็นพานก็จะพึงเป็นบัณฑิตได้บ้างพระชิตบพาสัปปุริสาปัญญาตถาวัตติพระชะมาโนสัปปุริเส สัพเพหิปิทุกเขหิปรมุลเจยะสัตบุรุษเป็นคนที่ควรครบผู้คบสัตบุรุษปัญญาย่อมเจริญได้แน่นอนผู้คบสัตบุรุษจึงพ้นจากทุกทั้งมวลได้สิบสองพระกีสาโคตมีเทรี ภิกษุณีผู้เลิศทางทรงธรรมจีวรเศร้าหมองอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระนางเกิดในสกุลหนึ่งในพระนครหังสาวดีได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นการแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งว่าเป็นผู้เลิศทางทรงจีวรเศร้าหมองนางจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้างทรงพยากรณ์ว่าจากสำเร็จในสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะ สมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนางเกิดเป็นพระชธิดาองค์ที่ห้าของพระเจ้ากิกีแห่งปราณสีมีพระนามว่าธรรมมาฟังธรรมแล้วต้องการบวชแต่พระราชบิดาไม่ทรงยินยอมชาติสุดท้ายไม่รู้จักความตาย นางเกิดในสกุลเศรษฐีตกยากจนทรับเป็นวงต่ำในกรุงสาวัตถีมีชื่อว่าโคตมีแต่คนเรียกกันว่ากีสาโคตมีเพราะมีรูปร่างค่อนข้างผอมต่อมานางได้แต่งงานกับชายในตระกูลมีทรับหลังคลอดบุตรแล้วนางก็เป็นที่เอนดูของชนทั้งปวงแต่แล้วลูกน้อยที่เพิ่งคลอดของนางถึงแก่ความตาย นางเศร้าโศกมีตาชุ่มด้วยน้ำตาอุ้มศพลูกเที่ยวบนเพ้อไปครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งทราบเรื่องแล้วก็พาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ได้โปรดประทานยาที่ช่วยให้ลูกฟื้นด้วยเถิดตรัสตอบว่าในเรือนใดไม่มีคนตายท่านจงไปหาเมล็ดพันผักกาดจากเรือนนั้นมา นางเที่ยวหาไปทั่วสาววัตถีก็ไม่ได้มล็ดพันผักกาศที่ว่านางกลับได้สติทิ้งศพลูกแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็ความเป็นอยู่เพียงวันเดียวของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเกิดความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้ไม่ได้พิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมไปอนิจจตาธรรม ไม่ใช่ทำเฉพาะบ้านไม่ใช่ทำเฉพาะนิคมไม่ใช่ทำเฉพาะสกุลเดียวเป็นธรรมของโลกทั้งปวงพร้อมทั้งเทวโลกจบพระเทศนานางบรลุธรรมจักสุและออกบวชเป็นภิกษุณีไม่นานก็ทําให้แจ้งพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษต่างๆท่านเก็บผ้าจากกองขยะบ้างป่าช้าบ้าง มาทําเป็นผ้าสังคติทรงจีวร อ, อันเศร้าหมองจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางลูกัจีวรทรงจีวรเศร้าหมองอัธกถาเอกนิบาทเล่าว่านางเกิดในสกุลคนเข็นใจแต่งงานไปแล้วจึงถูกคนในสกุลสามีดูหมินดูแคลนว่ายากจนเข็นใจเมื่อให้กำเนิดบุตรน้อย คนในสกุลจึงยอมรับและยกย่องนางแต่บุตรก็มาตายลงในวันที่เริ่มวิ่งเล่นไปมาได้นอกจากนางจะเศร้าโศกเพราะบุตรตายแล้วก็ยังทุกข์หนักเมื่อคิดถึงว่าเราได้รับการยอมรับเพราะลูกเมื่อไม่มีลูกลาบสกุลที่เคยได้ก็จักไม่ได้อีกคนในเรือนพยายามจะนำบุตรออกไปทิ้งแต่นางไม่ยอม อุ้มศพลูกใส่เสลเที่ยวไปตามบ้านเรือนวิงวอนขอยาให้คนช่วยลูกคนเหล่านั้นก็ดีดมือไล่และกล่าวว่ายาสำหรับคนที่ตายแล้วไม่มีใครเคยเห็นหรอกแต่นางก็ไม่เข้าใจความหมายแห่งคำพูดขณะนั้นมีคนผู้ฉลาดเข้าใจความหมายแห่งคาพูดนางรู้ว่านางพูดด้วยจิตฟุ้งซ่านเพ้อเพราะความโศก พระพุทธเจ้าเท่านั้นจักทรงทราบจึงกล่าวว่าคนที่รู้ยาที่จะช่วยบุตรของเธออยู่ในวิหารใกล้ๆนี่เองเธอจงไปทูลถามเถิดนางจึงอุ้มบุตรตายแล้วไปยังที่นั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยของนางแล้วจึงตรัสให้นางเดินไปหามาเล็ดพันผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเพื่อจะเอามาทำยานางเดินไปถามถึงเรือนหลังที่สามก็ไม่ได้ จึงคิดว่าแม้แต่เดินทั่วพระนครก็คงไม่มีคิดว่าพระพุทธเจ้าคงทรงอนุเคราะห์ทรงเห็นเหตุนี้แล้วเกิดความสลดใจไปที่ป่าช้าเอามือจับลูกแล้วพูดว่านะลูกน้อยแม่คิดว่าความตายนี้เกิดขึ้นแก่เจ้าเท่านั้นแต่ว่าความตายนี้ไม่ได้มีแก่เจ้าคนเดียวแต่มีเป็นธรรมดาแก่คนทั่วไป จึงทิ้งลูกไว้ในป่าช้าแล้วกล่าวคาถาว่าทมนี้นี่แหละคือความไม่เที่ยงมิใช่ธรรมของชาวบ้านมิใช่ธรรมของนิคมมิใช่ธรรมของสกุลเดียวแต่เป็นธรรมของโลกทั้งหมดพร้อมทั้งเทวโลกด้วยนางเข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเรื่องทั้งหมดขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่า มลตยูย่อมพาเอานอรชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจคล่องอยู่ในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านที่หลับไหลยอยู่ไปฉะนั้นจบพระคาถานางบรลุโสดาปฏิผลทูลขอบรรพชาทรงอนุญาตให้อุปสมบทที่สำนักภิกษุณีบวชแล้วท่านกระทาสมณธรรมคือวิปัสนาอยู่ พระพุทธเจ้าทรงเปร่งพระรัศมีมาตรัสว่าผู้ใดไม่เห็นอมตะบทพึงเป็นอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปียังไม่ประเสริฐส่วนชีวิตของผู้เห็นอมตะบทคือนิพพานเพียงวันเดียวประเสริฐกว่าจบพระคถาท่านบรรลุพระอรหันตเป็นผู้เคร่งครัดอย่างยิ่งในการใช้สอยบริการห่มจีวรประกอบด้วยความปอนสามอย่าง ประวัติก่อนเข้าสกุลสามีอธกถาธรรมบทเล่าว่านางเกิดในตระกูลเก่าแก่แห่งสาวัตถีที่เมืองนั้นมีเศรษฐีตกยากอยู่ครอบครัวหนึ่งท่านว่าตกยากเพราะเงินทองสี่สิบโกรธ ท, ที่เก็บไว้กลายเป็นฐานหมดเลยเพื่อนของเศรษฐีได้แนะนำอุบายให้ฐานกลับมาเป็นเงินทองดังเดิมด้วยการให้นำา่านนั้นไปวางขายในตลาดหากมีคนทักว่า คนอื่นขายผ้าน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั่งขายทานท่านจงถามเขาว่าหากไม่ขายของนี้แล้วจะขายอะไรถ้าท่านผู้ใดพูดกับท่านว่าคนอื่นขายผ้าน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยส่วนท่านนั่งขายเงินทองขอให้ท่านถามกลับว่าเงินทองที่ไหนถ้าผู้นั้นพูดว่านี่ไงท่าน จงพูดว่าจงนำเงินทองนั้นมาก่อนเมื่อเขาหยิบยื่นให้พึงรับด้วยมือทั้งสองก็ของที่ท่านรับนั้นจะกลายเป็นเงินและทองถ้าผู้นั้นเป็นหญิงสาวไม่มีสามีก็พึงนำมาเป็นบุตรสะพยและมอบทรัพย์สี่สิบโกรให้แก่นางแล้วใช้สอยเงินทองที่นางให้ถ้าเป็นชายพึงยกทิดาแนเรือนของท่านให้และมอบทรัพย์ให้แก่เขา แล้วใช้สอยซับที่เขาให้เศรษฐีตกยากได้กระทำตามคำแนะนำนั้นและมีนางกีสาโคตมีเดินมาพบและถามดังที่เพื่อนบอกไว้ทุกประการฐานเหล่านั้นได้กลับกลายมาเป็นเงินและทองตามเดิมแล้วก็สู่ขอนางมาเป็นสะพายเมื่อตั้งคันและคลอดบุตรออกมาแล้วบุตรตายในเวลาที่เริ่มเดินได้เพราะนางไม่เคยเห็นคนตาย หรือรู้จักความตายเลยจึงได้อุ้มศพลูกเที่ยวขอยาจนพบพระศาสดานางอุ้มศพไปถามชาวบ้านว่าในเรือนมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดบ้างหรือไม่เพราะดิฉันจะนำไปทำยาให้ลูกของฉันเขาตอบว่ามีแล้วไปหยิบให้นางก็ถามอีกว่าในเรือนนี้บุตรและธิดาเคยตายบ้างหรือไม่ตอบว่าพูดอะไรคนเป็นนะ มีน้อยคนตายมีมากกว่านางจึงคืนมเมล็ดพันธุ์ผักกาดกล่าวว่างนั้นก็ใช้ทำรรยาไม่ได้จนกระทั่งถึงเวลาเย็นนางก็ไม่ได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ว่าเลยจึงกลับได้สติเข้าใจความตายอธกถาสังยุตตนิยเล่าต่างไปว่าทราบประมาณ80โกรธของตระกูลหนึ่งกลายเป็นฐานไปหมดแต่กูดุงพี ไม่ได้ขนไปทิ้งเขาคิดว่าน่าจะมีผู้มีบุญช่วยให้ทรัพย์ของเรานั้นกลับมาได้จึงนำฐานใส่ถาดไปวางขายในตลาดนางกีสาโคตมีผ่านมาเห็นก็พูดขึ้นว่าทรัพย์ที่นี้ยังมีมากขนาดนี้ในเรือนจะมีสักเพียงไรกุดุมพีถามว่าแม่หนูเธอเห็นอะไรจึงได้พูดเช่นนี้นางตอบว่าเห็นเงินและทอง กุดุมพีคิดว่าหญิงคนนี้จะต้องเป็นผู้มีบุญจึงติดตามไปสู่ขอนางมาเป็นสภัายไม่นานก็ให้กำเนิดบุตรชายแล้วก็ตายในเวลาเริ่มเดือนได้นางร้องไห้ไปจนพบพระศาสดาเมื่อหามเมร็ดพันธ์ในเรือนที่ไม่เคยมีคนตายไม่ได้นางได้สติทิ้งศก บ, บุตรไว้ที่ศาลาแล้วขอบรรพชา และได้บรรลุพระอรหัสต์ในขณะที่มีดโกนจรดผมการบรรลุธรรมตามอัตถกถาธรรมบทอัตถกถาธรรมบทเล่าการบรรลุธรรมของพระเถรีว่าวันหนึ่งถึงเวลาที่ท่านจะต้องทำความสะอาดบริเวณโรงอุโบสถท่านจุดประทีปลุกโพรงขึ้นแล้ววูบลง ท่านได้นิมิตในประทีปนั้นว่าสัตว์เหล่านี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นและตายไปดังเปรียวประทีปส่วนพูดถึงนิพพานไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วทรงแผ่พระรัศมีมาประดุดอยู่ต่อหน้าตรัสว่าอย่างนั้นโคตมีผู้ใดไม่เห็นอมตะ บ, บท ถึงความเป็นเลิศต่อมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นภิกษุณีสาวิกาผู้เลิศทางทรงจีวรเศร้าหมองก็ความปอนหรือความเศร้าหมองคือไม่มุ่งความสวยงามง่ายๆราคาไม่แพงเหมาะสมกับอัธยาศัยประจำของท่านอัตถกถาเอกนิบาตอธิบายว่าความปอนมีสามอย่างคือปอนด้วยผ้าหนึ่ง ปอนด้วยได้าหนึ่งปอนด้วยเครื่องย้อมหนึ่งแต่อัตตกถาเถรกระถาว่าปอนด้วยมีดหนึ่งปอนด้วยได้หนึ่งปอนด้วยน้ําย้อมหนึ่งในอัตตกถารรมบทเล่าว่าพระพุทธเจ้าตรัสชมท่านให้เท้าสักกะฟังว่ามหาบอพิษภิกษุณีนั้นชื่อว่ากีสาโคตมีเป็นทิดาของตถาคต เป็นยอดแห่งพระเถรีผู้ทรงผ้าบางสุกุลทั้งหลายในอธิกถาเถรีคถาว่าพระเถรีใช้สอยบริการอย่างอุกฤษยิ่งคลองแต่จีวรที่ประกอบด้วยความปอนสามอย่างแสดงว่าความปอนที่พระเถรีประพฤติได้แก่การใช้ผ้าบางสุกุลและบริการอื่นด้วยความเรียบง่ายแต่โดดเด่นเฉพาะตัว มิได้ใช้บริการตามใจชอบหรือไม่ชอบพบทางสุขได้ด้วยกาลยานมิตรหลังจากนั้นพระเถรีได้มีเวลาพิจารณาข้อธรรมปฏิบัติของตนคิดว่าเราอาศัยพระศาสดาจึงได้มีคุณวิเศษนี้ท่านเห็นความสำคัญของการมีกาลยานมิตร จึงกล่าวว่าเพราะโลกพระมุนีทรงสารเสริญความเป็นผู้มีกัญยานมิตรคนเมื่อครบกัญยานมิตรแม้เป็นพานก็พึงเป็นบัณฑิตได้บ้างควรครบแต่สัตบุรุษคนดีคนเมื่อครบสัตบุรุษปัญญาย่อมเจริญได้เหมือนกันคนครบสัตบุรุษจะพึงพ้นจากทุกข์ได้ทุกอย่างบุคคลพึงรู้จักอริยสั์แม้ทั้งสี่คือทุก ทุกขสมุทยัยทุกขเนิโรธและมรรคมีองค์แปดแสดงธรรมโต้ตอบมารวันหนึ่งพระเทรีกลับจากบินทบาทแล้วเข้าไปในป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนกลางวันท่านนั่งพักที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้น มารผู้มีบาปต้องการจะให้ท่านเกิดความกลัวความหวาเสียวความขนพองสยองกล้าวจะให้จิตไม่เป็นสมาธิได้เข้าไปหาแล้วกล่าวว่าท่านเสียลูกไปหรือมานั่งอยู่คนเดียวมีหน้าตาเหมือนคนร้องไห้มาอยู่กลางป่าคนเดียวท่านกำลังสแสวงหาบุรุษหรือพระเถรีใคร้ครวญแล้ว พบว่าผู้นี้เป็นมารต้องการให้เรากลัวจึงกล่าวตอบว่าเราเสียบุตรไปแล้วเหมือนความตายของบุตรถึงที่สุดแล้วบุรุษทั้งหลายก็มีความตายของบุตรนี้เป็นที่สุดเหมือนกันเราไม่เศร้าโศไม่ร้องไห้ไม่กลัวความตายนั้นหรอกผู้มีอายุความเพลื่อนเพลินในส่วนทั้งปวงเรากําจัดแล้ว กองแห่งความมืดเราทำลายแล้วเราชนะเสนาแห่งมัดจุแล้วไม่มีอาสวะอยู่มานเป็นทุกข์เสียใจว่าพระเถรีกีสาโคตมีรู้จักเราแล้วจึงอันตรทานไป